คนเราโดยส่วนมากชอบสุขกลัวทุกข์นี่เป็นส่วนมากมว่าใช้ทั้งหมดทุกข์นั่นเป็นที่ประทาบนาทุกข์นั่นเป็นที่รังเกียจไม่ชอบเลยแค่ที่จริงนั้นถ้าหาเราพิจารณาความจริงถี่ทวนไหมวเพราะทุกข์แคแค่เลย ทำมาค้าขายหาอยู่ด้วยประการต่างๆทำสวนทำนาค้าขายราชการเป็นเจ้านายหาเงินดําเเดือนกินก็เพราะกลัวทุกข์แม้ที่สุดจะโจรขโมยหาปล้นก็เพราะมันกลัวทุกข์อยางได้ควสุขอย่างเขาที่เขารุ่งรวยนี่จึงว่าทุกข์เป็นเหตให้ขยันมันเพียร ทุกเป็นเหตุให้แสวงหาประโยชน์ถ้ามันมีทุกดีบบ่งคับทุกดีบขันไปแล้วคนเราจะพากันนิ่งนอนใจไม่แสวงหาสิ่งใดเลยแล้มันมีปัญหาเยอะการทำงานเพื่อหาความสุขแป่เหตุที่ไหนที่ต้องไปทนทุกข์ เห็นลำบากกลาคตามต่างแหล่ตามผนมันทุกข์จะแท้นั้นมีบทอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่งตรธธัสเทศไว้เป็นหา้าขิดวิริเยนะดุขมาติอติคนจะคนทุกข์ได้เพราควมเทียนก็การเทียรน่ยมันไม่ใช่เรื่องทุกข์หรือทำไมจงังหวะคนทุกข์ได้เพราะควมเทียน นั่นเป็นปัญหาหนาคิดแต่หากว่าเราจะอุปมาประม่หรือหากเราจะฟังอีกแง่นธรรมคำสอนของพรพุทธเจ้านี่ว่าโรคนี่นั่นนอกจากทุกเกิดขึ้นเราดับไปก็ไม่เห็นมีอะไรพระพุทธเจ้านั้นประเทศสนาแบบนี้ถตาตกลงคนเราเกิดขึ้นมาใโนโลกนี้เป็นคนทุกข์ ถ้าหากเราพูดถึงคำได้ฟังคำคำสองพระเจ้านครข้อนี้แล้วนั้นถ้าจะไขควมในขอ้อตดขึ้นมาบ้างแงาต่เวลเย็นสมิติหรือหากเราจะพูดมาเปรียบให้เนี่ยความวระจ่างกันไปอีกคนตกน้ำท้าไม่เยยามว่า้ก็ไม่หวังจมน้ำตาย คนไหว้แล้วพยายามไหว้เท่านั้นะที่จะรอดมาได้คำวิธีเยนดูคำวิจิติถ้ า, าเนาา เ, าเอาอระมาประมาทมาๆๆๆเปรียบเทียบแล้วชัดขึ้นในความคนน้นหากเราจะฟังเข้าไปอีกในในธรรมจักรพระพุทธเจ้าตรัตเทศนาพระธรมเทศนา ทุกเป็นวามควรกำหนดไม่ใช่เป็นของควรละความเยายามดิน้นรนและความอยากคือตัวตัณหามันเป็นสิ่งที่ควรละอันนี้จะเป็นเหตุสองให้เราคิดค้นอีกเหมือนกันคิดค้นหาหลักขงจริง น, นทุกนั้นมันของมีอยู่จะทิ้งก็ไม่ได้ ถ้าพูดถึงเรื่องทางด้านปฏิบัติวิปัสนาไม่ใช่ชิงทุกยกทุกขึ้นมาพิจารณาไม่ใช่ให้เป็นของว่างและของ ม, มีถ้าเป็นของว่างและของ ม, มีไม่เป็นมวิปัสนาใครจ้าของว่างของ ม, มีมาพิจารณาไม่เป็มวิปัสนาเลยต้องเอาของนี้อยู่คือทุกปลาลบทุกค้นคว้าถึงเรื่องทุกให้เห็นต้นตอของทุก ให้เห็นเหตุเกิดทุกข์แล้ะไปเห็นเหตุที่จะให้ดับทุกข์ด้วยอาการอย่างไรผู้ปฏิบัติถ้าหากพิจารณาต้นตอของทุกข์แล้วเห็นชัดตามเป็นจริงคือว่าทุกข์อยู่ในขันถ้ า, าขันยังไมีอยู่ตราใดทุกข์มันก็ติดอยู่ในขัน เมื่อเราเห็นชัดว่าขันเป็นเป็นก้อนทุกข์ทำยังไงมันจึงจะทิ้งทุกข์นี้ได้เราแยกขันออกเป็นท่าเป็นขันเป็นอายตณะเป็นอินทรีย์แยกออกไปเป็นส่วนไส่วนส่วนขันเลยไม่มีเห็นแต่สภาวธรรมหนึ่งเกิดขึ้นกระดับไปรู้ว่าทานของถือขันก็หา ใจที่ถือว่าอุปทานว่าขันเป็นตัวหนึ่งตัวมันก็หายคามกระนั้นความสงบก็เกดขึ้นใจก็ไปอีกส่วนหนึ่งอยู่ส่วนหนึ่งต่างหานอกจากขันไม่ใช่เพื่อมันมันไปมองเห็นขันมันไม่ได้ไปอยู่ในขันแต่หากขันเจือกันอยู่กับจิตจิตไปเห็นขันแปลว่าจิตนั้นไม่ได้เข้าไปอยู่ในขัน เห็นเป็นสภพาวะถามเกิาาเกดขึ้นกลับไปในขณะที่จิตมันสงบลงไปความทุกข์ขึ้เราถือขึนเราเป็นทุกข์มาตั้งแตนต้ตต น, นมันก็หายไปอันนี้เราพิจารณาทางยุทธวิชนามาาันต้องเป็นต้องยกขังขึ้นคือยกกองทุกข์ขึ้นอันเขาไม่มีนั่นไม่ใช่ยุทธวิชนาเงียบสงบไปเมยไปหมดเลยลืมบ้างเปล่าศู์ เอาได้มาพิจารณาไม่มีเรื่องพิจารณาเฮงาสูญก็ศูญไปหมดเลยสูญไม่สะสอะไรก็ไล้วางก็เลยว่างหมดไม่สะสอะไรก็ได้สงบไปเงียบไปหมดหมดไม่มีอะไรไม่เจออะไรพิจารณาเมื่อไม่มีพิจารณาไม่มีเรื่องพิจารณาปั้นยามไม่เกิดมันก็เป็นสงบฤทธิ์ความสงบเนี้ไม่ใช่เหมือนอยู่ตลอดชีวิตนะ ไปสักครู่ครับอย่างได้ก็เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงยังดีที่สุดกลับมาก็ของเก่าทุกทั้งหลายไม่อยู่ไงมันก็ดีเท่าเก่าถ้าหากเราไม่ใช่ปัญญาเจนาอย่างว่านี้แล้วไม่เข้าถึงสัจจะของจริงไม่เห็นของจริงย่างดีที่สุดก็เมื่อทุกข์มากๆเลยเข้าไปสงบลบหลีกทุกข์ได้ ท่านพูดได้อีกอย่างหนึ่งผู้ชอบความสงบขึ้นหลบทุกไม่ใช่นักสู้นักลบผู้ที่ต่อสู้คือวิปัสสนาคนคัวอายากปฏิบัติอันเป็นนั่นเป็นนักสู้นักลบสู้ลบมันต้องไปจันหน้ากันครับค่าศึกแค่ชนะไ น, นี้คยเห็นทุกเป็นค่าศึกอันหนึง่ง ของจิตใจคือเราไม่ชอบอย่างที่บางมันคอยเป็นผลปับบกปาเป็นคาสิครบกควรไม่ให้เราสบายนี่ตลอดกาลเวลาทีานี้ถ้าหากว่าเราเสียเป็นคาสิเราจะต้องต่อสู้ยกทุกหนที่จะมาท่านพุทธเจ้าท่างหนึ่งสอนหนึ่งควรสอนว่าให้ควรพิจรารณาไม่ใช่ควรละ ด่งกล่าแล้วในเบื้องต้นมาทุกเรงของควรกําหนดถ้าหากเราไปกําหนดเข้าใจชัดเจนดังอธิบายเมตะกีเนั้นจนมันวางทุกใดมันเห็นเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเกิดขึ้นในดับไปก็เรียกว่าเราได้กําหนดแล้วท่า น, นี้อันที่เรากําหนดได้าหมายก็มาเราได้เห็นเราได้รู้ความจริงแล้วเราได้ชัดเจนแล้ว หากมันจะเป็นทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วก็พิจารณาอย่างเก่าแนวเก่าหรืออาจจะมีแวววาวหรือคมขาขึ้นไปพวกเก่าอีกก็อาจเป็นก็ได้เห็นนั้นทุกข์จรงเป็นของควรต่อสู้เป็นของควรที่เราจะต่อสูอ้หยิทุกข์มันมม น, นี้ยูตลอดเวนาทุกข์เพราะหิวก็หาย ทุกข์เพรเจ็บปวดทุกข์เพความทะเยอทะยานดินหล่นอยากได้ทัง้งยันทั้งนี้ทุกข์เพความกังวลเกี่ยวข้องโควิด น, นั้นนี้รุ่ม อ, อกรุ่มใจทุกข์ที่เป็นนา ม, มาทำทุกข์ที่เป็นรูปแต่ทุกข์โยการหิวขาดหายกระทบร้อนกระทบความแข็งเมื่อเย็นร้อนอ่อนแข็งทุกอย่างที่กระทบสัมผัสมันมีอยู่นี่ พัสชาเนี่ยมันทันดับพัสชาเนี่มันทันตายสิงทั้งหลายนี่ยจะต้อไปพุกอยู่ตลอดเวลาแล้วจะหนีพ้ที่ไหนนะใครจะพ้นหรงว่าใครจะทิ้งก็ทิ้งไปไหนเมื่อมีชีวิตอยู่ยังมีอยู่ตามแต่แก็จะมีอยู่ตรามพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันอริยสมถาวกเหมือนกันถึงแม้ท่านจะพิจารณาเห็นทุกข์แล้วทุกข์ยังอยู่ตามเดิม ท่านก็ไม่ดไปทิ้งไปงไนะแต่ว่าทุกข์มันไม่สามารถมารบปวนท่านได้ด้วยเหตที่ท่านเห็นชัดแต่จริงอธิบายวนั้นนะจริงว่าทุกข์ในเป็นเครื่องอยู่ทุกข์นั้นเป็นอารมณ์ยกขึ้นมาคิดคนพิจารณาอยู่ตลอดเวลาเลยเป็นเครื่องอยู่ทุกข์เลยไม่ทุกข์เลยกลายเป็นเครื่องอยู่ใช่ไ เหมือนเหมือนกับคนที่เขาชอบการาการขุดดินฟันไม้ก็ดีหรือการจัด ก, การสามอะไรก็ตามคิดออกกำลังเราเห็นเขใ้ใจว่าเขาจะนิดนเนยแต่พวกที่คนชอบการทำงานไม่เนยเมื่อได้ทำงานรู้สึกว่าแข็งขันขึ้น ร่างกายก็ชัดเจนสุขภาพก็ดีขึ้นการงานที่เขาทำลงไปนั้นมันเป็นเรื่องเพลินยิ่งทำก็เป็นเรื่องเพลินเรื่องสนุกไม่มีคนุกอันคนผู้ที่พิจนาถึงธรรมะเห็นทุกข์นั้นไ ม, ไม่ได้มีคน ที่นาทุกยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องพิจารณาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตเลยกลายเป็นมหาลัทธิมนุษย์แรงกับพวกคนชอบทำงานในการที่เขาทํานั้นค้นพลอยได้ตามมาทางงานเขาสัญญาณทานแข็งไมเ่เสียท่านผลประโยชน์ก็เพึงได้ก็เพึงได้ตามมา อันผู้พิจารณาทุกเมื่อเห็นถึงสภาพตามจริงแล้วทุกนันไม ใ, ใจใมันจะมาครอบงำผู้ที่เห็นทุกแต่ทุกนั้นกลายการพิจารณาทุกกลายเป็นนิหารตามกันอยู่มันเป็นการขอบผลจิดใจให้ใช้สะอาดมันเป็นบอ่อเกิดของปัญญาฉลาดเกียรติอันดึงดูดที ว่าถึงเรื่องทุกข์เป็นของคนกำหนดดีกว่าถ้าคนกลัวทุกข์มหมายความว่าคนขี้ขลาดเพื่อมีความสามารถในการที่จะต่อสู้มุ่งอย่างเดียวจะความสุขคนถ้ามีความฉลาดสามารถเร้สิ่งใดที่มันทุกข์ มากที่สุดจริงนั่นจะต้องเป็นเอาเป็นโอไปกิตรีพิจารณาผู้บําเพ็ญภาวนากรรมฐานมันต้องอ่านฐานต่อสู้อย่างนี้นักปฏิบัติมาแต่กนเก่าอยู่ก็มู่ก็เพื่อนอยู่ในที่สบายไม่ชอบข้อจิตไม่กระข้อไม่ได้ต่อสู้ต้องหาฤทธิ์ที่สัดแ์ในป่าเปี่ยวในที่ หนักในหนากลัวที่ว่าเสียหนากลรวจึงจะได้ไปจนใสคือเอาคงกลัวมาเป็นเหตุเมื่อเอาคงกลัวเป็นเหตุกับเพ่งพิจารณาทั้งเรื่องของกลัวกลัวไปก็พิจารณาไปมามันถึงผมต่างกลัวก็คือกลัวต่างกเพไปลงเห็นความจริงว่าคือกลัวต่างก็คือคือค อ, ค อ, อัตตา กลัวตนตายกะไปถืออาตาเมื่อถืออาามันจะกลัวตายมันเข้าไปถึงท้องกิมก็เพราะมันมีเหตุคุกควมกล่วในในั้นของทุกยิ่งเป็นของดีมีประโยชน์มากถ้าหากจะพูดในหนึ่งความสุขกับความทุกข์นั้น น้ำหนักเท่ากันเหมือนกับคมเกิดกับคมตายนหนักเท่ากันเกิดเท่าไรก็ตายเท่ทุกเท่าไดก็ทุกเท่าไรทุกเท่าไรก็ทุกขเท่าไรเรียกวก็มีน้ำหนักเท่ากันแต่มีค่าทิดกันความสุขหรือความเกิดมีราคาน้อยความทุกขหรือความตายราคามาก ถาหากว่ทุกคนไม่แสวงหาสิ่งที่มาประมาททุก น, นั่นเป็นเหตุอย่างนี้คนจะมีจะรวยบอดีถ้ามาหากินกระประการต่างการที่จะมีจะรวยเกิดขึ้นเพราะกลัวทุกข์แั้วจึงค่อยแสวงหาแทนค่อยเป็นอางนั้นเพียงเมื่อที่จะถึงวาตถุนิพพานเพราะกลัวทุกข์ในวัฏสงสาร ผู้ที่ทำบุญสุนทานต่างๆ ก, ก็กลัวทุกข์ในโลกอันนี้เราได้สร้างว่าพระเจ้าสงสารมีคนสุขขอมนุษย์แห่งทาบุญและสาปสิ้นในต่างสมัยเพื่อจะให้พ้นจากทุกข์ในโลกอันนี้ผู้เห็นโทษทุกข์ในชั้นฟ้าสวรรค์เน้อในสุคติว่ายังไงสินทุกข์สินร้อนยังมีอารมณ์ที่ความบุญผ่น ถึงพยายามพยายามทำถึ ง, ถ ง, งซึ่งภูมโลกคือมีเอกกัตาจีดเอกกัตาลรมณ์มันเดียวผู้เห็นโทษนั้นทำไมัันยงไม่ถึงที่สิ้นสุดที่พย า, ยานเดินธรรมะแต่หนี้ด้วยสายตาลบทุกครั้งนั้นจึงว่าจึงเป็ดต้นถึงที่สุดเอาทุกเป็นต้นเหตุจึงว่าทุกเรน่องของมีค่ามากจนถึงสิง้นผ่าน ความตายกันเหมือนกันความเกิดในใครก็ชอบทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากตายทําการอยากตายไม่มีนีน่เองอยากเกิดและอยากอ ย, กยู่มาตลอดเวลาทางความที่ไม่อยากตายหรือว่าเกิดขึ้นมาแล้วน่ะไม่อยากเจ็บ อ, อยากตายเป็นความปมาูกมัดคนที่พินารณาเรื่งความตายเป็นคน ไม่ใช่อยากตายแต่พิจารณาในความตายจึงจะเป็นผู้ไม่ประมาทพระเย็์มันมีความตายอยู่ข้างในจึงพยายามที่จะตีหายขึ้นอย่างน้อยที่สุดก่อนหาหลักฐานให้ลูกหลานเมื่อเราตายไปแล้วหาเส้บัตรก็จะตามให้ลูกหลานถ้าไม่คิดคเป็นความตายในเองความตาย ไม่หมาาก็จะไม่ทาอย่างนี้มีว่าความตายมี ค, าค่าหมดความเกิดจะเข้าแนวเดิมอีกตายไปแนประปตายไปสุขคติและสุกคติ ไ, ตไน่แน่ใจยิงพยายามทำคุณ ง, งามความดีมนฐานกิจเป็นปต้นกระเพาะอรมณความตายแม่เห็นตายๆแล้วเกิดัะเป็นทุกข์กระเพาะรมก์ความตายแหลพระพวามทุกข์ที่รมณ์ตายจะลทุกข์กี่แล เขาพยายามที่จะพนจา ก, กนี้ยังว่าคนตายมีข้ามากแต่คนละเปียกคนตายคนละเปียกคนทุกข์ถ้าวา่าเรื่อ ง, งของจิตของจริงทํามากคำนาณเลยเจ้าเป็นของดีมีค่าตัวเกิดมีค่าตัวสุขค่ามากจนถึงที่สุดมีนักปฏิบัติเขาคิดเขาเห็นเขานักปฏิบัติมันกลมเกินค่า เขาคมเห็นเดิมมันกล ง, กล ง, งนั้นข้าวในนี้ไม่ใช่เป็นคิดแทรแบบแนวไปทางอื่นทางไหนแต่แท้จริงคือมันเข้าถึงหลักรับคำสองคนเจ้านั่นเองเที่ยวนั้นแหวกแนวเขาคนที่ฟังไม่ถูกเาหาแหวกแนวเพราะมันฟังไม่ถูกเพราะมันไม่ทํำเชื่ออยู่เพราะมันไม่เข้าถึงธรรมถ้าเขาถึงธรรมในทางกลงไม่ใช่แบวกแนวต้องเห็นที่ว่าเกิดเป็นสุขเกิดใ น, นชอบ ทุกนั้นชออยากได้แต่สุขไม่ยอยากได้แต่เกิดเกลียดตายและเกลียดเพราฉนั้นเป็นการแบกเนี่ยโดยแท้เพราะฉะนั้นยังว่านักปฏิบัติไม่น่ากลัวเลยเรื่องทุกข์ทั้งหลายจะยกกระทุกเลยมาพิจารณาจ น, นเห็นเป็นสภาะว่าตามจริง ท, ทุกสิ่งกประการเห็นเป็นทั้งหมดเสมอเลยสบายา่ เมันจริงเป็นธรรมจริงๆแต่จิตเรายัางไม่ได้ถึงธรรมเลยไม่เป็นธรรมนี่ยกทุกข์ขึ้นมาพิจารณาโดยวบายที่อธิบายมานี่มีเนื้อความโดยยงยอดเสน่ย์ให้นำไปคิดพิจารณาอยู่คือว่ายกทุกข์เป็นอเอายกทุกข์มาเป็นอารมณ์ทุกข์เรื่องพิจารณาเราอย่าไปก ล, ก, ลกลัวทุกข์เรากลัวทุกข์ทั้งนั้นพูดอีกคำหนึ่ ง, งคิ่งเคยทำความดีกว่าถูก แต่ว่าเราจะไปกลัวทุกเราทุกมันเป็นอารมณ์ได้ทุกขึ้นมาแล้วได้ทุกเกิดได้คนตายมาแล้วนะ่ะเอามาเป็นอารมณ์อันนั้นได้เชื่อว่าเป็นไอ้บทบาทเบทต้นที่จะทําให้คนจากทุกข์แล้ให้ได้รับความทุขหรือเป็นบทบาทที่จะมไม่ให้ไม่ไม่ให้ตายทานั้นเราไม่ยึดแะไม่จับอันนี้เป็นหลักแรกจะ ม, มีเครื่องพิจรารณาถ้าเราจับอันนี้เป็นหลักพิจารณาอตลอดเวลาจะเป็นภาวนารำสมาธิ ให้เกิดตัญญายานยูตลอดการเวลาอันนี้ทางเดินพิพัฒนาตัองในอย่างนั้น